นิทานเรื่องคนเจาเรจ้างกับนักศึกษาสำหรับเรื่องนี้ก็เช่นกันค่ะได้ยินพระท่านเทศออกอากาศทางสถานีวิทยุแม้ฟังแล้วชอบมากเลยท่านใช้ชื่อว่าใครจะอยู่ใครจะไปเราก็ไปค้นคว้าในอินเทอร์เน็ตปรากฏว่าอยู่ในเว็บไซต์ everykiss.com ค่ะเรื่องมีอยู่ว่ามีนักศึกษาผู้คงแก่เรียนคนหนึ่งได้ว่าจ้างเรือแจวให้พาข้ามฟากในขณะที่ท้องฟ้าเต็มเปด้วยเมฆดูมืดครึ้มและลมเริ่มพัดจนน้ำกระฉอกเป็นระลอก เรือแจวก็ได้ล่นไปอย่างช้าๆเมื่อเรือล่นเข้าสู่กระแสน้ำเชี่ยวคนเจ้าเรือก็ต้องตั้งอกตั้งใจแจวอย่างระมัดระวังฝ่ายนักศึกษากำลังก้มหน้าก้มตาอ่านตำราเล่มใหญ่ในที่สุดนักศึกษาก็ละสายตาจากตำราเงยหน้า มองมาที่คนเจวเรือแล้วก็ถามว่าลุงลุงเคยอ่านตำราประวัติศาสตร์บ้างไหมไม่เคยเลยครับแหมถ้าเช่นนั้นลุงก็พลาดโอกาสอย่างน่าเสียดายในหนังสือประวัติศาสตร์นะลุงนะเต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าอ่าน มีเรื่องของกษัตริย์และราชินีในอดีตเรื่องของสงครามและการต่อสู้ทำให้เรารู้ว่าคนในสมัยโบราณน่ะใช้ชีวิตกันอย่างไรแต่งกายแบบไหนประวัติศาสตร์นะลุงนะจะบอกให้ทราบถึงความเจริญของชนชาติต่างๆทำไมอ่ะทไมลุงไม่อ่านประวัติศาสตร์บ้างเลยล่ะ ก็ลุงไม่เคยเรียนหนังสือนี่คนแจวเรือก็แจวเรือต่อไปนักศึกษาก็ก้มหน้าก้มตาอ่านตำราต่อไปคงมีแต่เสียงใบแจวกระทบพื้นน้ำเท่านั้นผ่านไปสักครู่นักศึกษาก็ถาม คนเจาเรือขึ้นอีกภูมิศาสตร์ล่ะลุงภูมิศาสตร์น่ะลุงเคยอ่านบ้างไหมไม่เคยเลยครับภูมิศาสตร์นะลุงนะเป็นวิชาที่สอนให้เราเนี่ยรู้จักกับโลกและประเทศต่างๆกระทั่งภูเขาแม่น้ำลมพายุฝน ภูมิศาสตร์นะลุงนะเป็นวิชาที่น่าศึกษามากลุงไม่รู้จักวิชานี้เลยหรือไม่เคยเลยลุงไม่เคยรู้จักเลยนักศึกษาสายหน้าไม่รู้จักวิชานี้ชีวิตลุงไม่มีค่าอะไรเลยวิทยาศาสตร์ล่ะลุง เคยอ่านบ้างหรือเปล่าไม่เคยอีกแหละคุณเอ้ยเอ๊ลุงเป็นคนยังไงกันล่ะเนี่ยวิทยาศาสตร์นละลุงนะช่วยอธิบายถึงเหตุและผลต่างๆความก้าวหน้าของมวลมนุษย์ขึ้นอยู่กับวิทยาศาสตร์โดยตรงนักวิทยาศาสตร์ เป็นบุคคลที่สำคัญยิ่งในโลกปัจจุบันแต่ทว่าลุงไม่รู้เรื่องเอาเสียเลยชีวิตของลุงช่างมีค่าน้อยเหลือเกินนักศึกษาปิดตำราของเขาและนั่งเงียบไม่ยอมพูดจาอีก ขณะนั้นเมฆดำได้แผ่ขยายเต็มท้องฟ้าลมเริ่มพัดแรงฟ้าแ ล, ลบแปรปรพายุกำลังจะมาค่ะและเรือก็ยังเหลือระยะทางอีกไกลกว่าจะถึงฝั่งคนเจวเรือเงยนหน้าขึ้นมองท้องฟ้าแล้วพูดว่า ดูเมฆนั่นสิคุณพายุคงจะมาในไม่ช้าเนี่ยคุณคุณว่ายน้ําเป็นไหมครับว่ายน้ำเหรอว่ายน้ําผมว่ายน้ําไม่เป็นครับลุงอะไรกันคุณว่ายน้ําไม่เป็นคุณรอบรู้ออกมากมาย ประวัติศาสตร์เอ่ยภูมิศาสตร์เอ่ยและวิชาวิทยาศาสตร์คุณก็ออกจะคล่องแต่ทำไมอ่ะทำไมไม่เรียนว่ายน้ำด้วยอีกว่าเดี๋ยวเธอคุณก็จะรู้ว่าชีวิตของคุณไม่มีค่าเลยพายุพัดจัดขึ้น เรือลำน้อยถูกคลื่นและลมพัดโย น, ข, นขึ้นขึ้นลงๆในไม่ช้าก็ถูกคลื่นและพายุกระหน่ำจนเรือพิกคว่าคนเจ้าเรือจ้างว่ายน้ำขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัยแต่ทว่านักศึกษาผู้น่าสงสารจมหายไปในกระแสน้ำ อันไหลเชี่ยวนั้นค่ะท่านผู้ฟังคะเรื่องนี้นะคะก็เป็นอันทราบกันแล้ว่ะคะว่าใครจะอยู่ใครจะไปค่ะความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดก็เป็นเช่นนี้เลยค่ะ